วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบมีถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันพระวันรรมสศวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเพื่อดูแลจิตใจ เป็นวันที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้บัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ฝ่ายวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้หยุดภารกิจการงาน การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างกายหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเลี้ยงดูดูแลจิตใจเพราะชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันไม่ใช่มีเพียงส่วนเดียวคือร่างกายนอกจากร่างกายแล้ว เรายังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญมากยิ่งกว่าร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวอยู่ไม่เกินร้อยปีก็ต้องถึงแก่ความตายไปแต่จิตใจนี้เป็นของยั่งยืนเป็นของที่ไม่มีวันตายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจยังอยู่ และยังต้องดำเนินการต่อไปคือไปรับผลบุญผลบาปไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ได้รับการดูแลกำจัดเหตุที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นวันพระนี้จึงบันถือว่าเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธเรา ผู้เห็นว่าจิตใจนี้เป็นของที่ไม่ตายเป็นของที่จะต้องได้รับการดูแลถ้าเราต้องการให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสงบเหมือนกับร่างกายของพวกเราเราก็ต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน หกวันที่ผ่านมาเราก็ไปทํามาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่หาอาหารให้ร่างกายหาเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าให้ร่างกายได้สวมใส่หาที่อยู่อาศัยให้ร่างกายได้หลบหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆหาอยู่ขายาเพื่อที่จะรักษา ร่างกายเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือปัจจัยสี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ร่างกายจําเป็นที่จะต้องมีมีพร้อมอยู่เสมอขาดไม่ได้ถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปร่างกายก็จะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพิกลพิการเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> หรือถึงแก่ความตายได้เราจึงต้องไปทำงานทำการกันเพื่อหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ไปซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันปัจจัยสี่ของใจคืออะไรอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทาน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลธรรมที่อยู่อาศัยบ้านพักของใจคือคืออะไรก็คือสมาธิความนิ่งสงบของใจแล้วก็ยารักษาโรคใจยารักษาโรคของใจคืออะไรก็คือปัญญาปัญญานี้จะสามารถ รักษาโรคภัยคือความทุกข์ต่างๆเช่นความเครยียดความวิตกกังวลความหวาดกลัวความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้าต่างๆให้หายไปได้เวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาหากันในวันพระในวันธรรมสวัสดิในวันฟังธรรม สถานที่แห่งนี้ที่จะมีการแสดงธรรมและมีการปฏิบัติธรรมไปด้วยคือส0สิบนาทีแรกก็จะเป็นช่วงการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญายารักษาโรคใจช่วงที่สองก็ให้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับใจและ หลังจากนั้นก็ยังมีการทำบุญทําทานถวายข้าวของเงินทองต่างๆควบคู่กับการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดไปการมาวัดจึงถือว่าได้มาหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตอนนี้เราก็กำลังศึกษาธรรมะคำสอน เรียกว่าปัญญายารักษาโรคใจเดี๋ยวเราก็นั่งสมาธิสร้างบ้านของใจให้เกิดขึ้นมาไว้เป็นที่หลบภยัยหลบความวุ่นวายใจต่างๆแล้วเราก็รักษาศีลควบคู่ไปกับการฟังเทศฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรก็ถือว่าเรามีศีลแล้วตอนนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ เราไม่ได้รักทรัพเราไม่ได้เราไม่ได้ประพฤติผิดในการเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ดื่มโุลายามเามาถือว่าเรามีศีลห้าแล้วศีลแปดก็มีอยู่<ม><ม>เราไม่กินอาหารหลังเที่ยงวัน<ม><ม>เราไม่ดูมหัศจรรย์บันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเครื่อง เครื่องสำางน้ำมันน้ำหอมต่างๆแล้วก็ไม่นอนบนเตียงสำลานเตียงที่มีฟูกหนาๆ น, านอนบนเตียงบนที่นอนที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นเพื่อจะได้นอนไม่มากเพื่อที่จะได้เอาเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิต่ตอ<ม>นี่ก็คือการกระทำที่เราจะกระทำกันในวันนี้ในวันพระ เพื่อที่จะได้สร้างปัจจัยสี่ให้กับใจสร้างอาหารด้วยการทำบุญทาทานเวลาเราทำบุญทาทานแล้วใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มเออขึ้นมามีความสุขจากการทำบุญทาทานนี่แหละคืออาหารการทำบุญทาทานนี้ก็มีผลเรือมีเป้าหมายอยู่สองอย่างด้วยกัน คือหนึ่งให้ความสุขกับใจความอิ่มกับใจแล้วสองคอยป้องกันหรือระงับความหิวความอยากที่จะไปหาสิ่งที่เป็นเหมือนกับยาเสพติดมาเสษ <Yeah. S 1> ก็คือการใช้เงินไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกาย <Yeah. S 1> ไปดูไปฟังไปรับประทาน <Yeah. S 1> ไปดื่ม ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของม่ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อต้องมีแต่อยากมีเพราะความอยากคิดว่าเมื่อได้ได้ไดซื้อของเหล่านี้แล้วจะมีความสุขใจความสุขที่ได้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาได้เสพมันก็มีความสุขแต่พอพอไม่ได้เสพขึ้นมา ใจก็จะดิ่นใจก็จะรู้สึกทุกข์ทรมารใจเพราะเคยเสพอยู่เรื่อยมันจะติดเป็นนิสัยใครดูใครฟังอะไรก็อยากจะดูอยากจะฟังไปเรื่อยใครกินใครดื่มอะไรก็อยากจะกินจะดื่มไปเรื่อยเคยไปเที่ยวก็จะอยากจะไปไปเที่ยวอยู่เรื่อยเคยซื้อของฟุ่มเฟือยก็อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยไปเรื่อย ถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่อยากได้ใจก็จะทุกข์ทรมานเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่มียาให้มาเสพหรือไม่สามารถไปซื้อยามาเสพได้เพราะไม่มีไม่มีเงินมีทองใจก็จะทุกข์ใจก็จะดิน้นใจจะรู้สึกเศร้าส้อยงอยเห ง, ง, า, ว า, วงาว้าวเวซึมเศร้าทันที ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินแบบนี้เราเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนแทนที่เอาเงินไปซื้อยาเสพติดให้กับใจเราไปซื้ออาหารให้กับใจการทำบุญทำทานนี่แหละเป็นอาหาร mm hmm. เราให้อาหารด้วยให้อาหารพระด้วยการใส่บาตร mm hmm. แล้วเราก็จะได้อาหารให้กับใจของเราคือความสุขใจอิ่มใจ หรือจะทําทบุญกับผู้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทําบุญกับพระทําบุญกับผู้มีพระคุณ mm hmm. เช่นพ่อแม่ก็ได้ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายตอบแทนบุญคุณเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวที mm hmm. นี่แหละเป็นการทําบุญ ท, ท, าทําทานที่จะทําให้ใจเกิดมีความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาทุกครั้งที่เราหิวกับ รูปเสียงกิ่นรสต่างๆแทนที่จะเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกิน่นรสเราเอามาทําบุญทําทานแทนเหมือนกับเวลาเราหิวเราติดยาเสพติดแทนที่จะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเราก็เอาเงินไปซื้ออาหารดีกว่าซื้ออาหารให้ร่างกายร่างกายจะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงให้ร่างกายอยู่อย่างแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ถ้าเงินไม่ซื้อยาเสพติดไม่ได้ซื้อหามากินร่างกายก็จะสู้ผอมลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดโครคภัยไข้เจ็บตามมาต่อไปอันนี้คือการทําบุญทําทานนี้ให้อาหารกับใจแล้วก็ระงับการการให้ยาเสพติดกับใจใครเรารู้ว่าการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนี้ที่เราเรียกว่าการมาสุขนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติด องใจถ้าถ้าเสพแล้วมันจะติดมันจะต้องดิ้นรนคอยหาเงินมาใช้กับการเสพยาเหล่านี้เสพยาเสพติดเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเสพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ <c oughs> ใจก็จะหิวไปเรื่อยๆทั้งผิดกับถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้ออาหารไปทำบุญทำทาน ใจเราก็จะมีความอิ่มมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วความอยากในในยาเสพติดในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะค่อยๆเบาบางลงไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่สนใจที่จะไปหาความสุขกับการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขใจเราก็เอาเงินไปทำบุญแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆ นี่แหละคืออาหารของใจก็คือการทำบุญทำทาน <c oughs> แล้วบุญนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจเวลาที่ไม่มีร่างกาย <c oughs> เวลาไม่มีร่างกายใจก็ยังต้องอาศัยอาหาร <c oughs> เพื่อที่จะได้ทำให้ใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> บุญนี่แหละที่จะทำให้ใจไปสวรรค์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ความอยากความหิวโหยนี้จะทำให้ใจไปอบายถ้าถ้าไปทำผิดไปทำบาปจากการที่มีความหิวโหยแล้วไปทาบาปเพื่อที่จะได้ตอบแทนความหิวโหยมันก็จะทำให้ใจนี้ต้องไปเกิดในอบายแทนไปสวรรค์นนี่คือข้อที่หนึ่งคืออาหารของใจก็คือการทำบุญทำทาน ด้วยวิธีการต่างๆทำได้หลายรูปแบบทำได้กับหลายบุคคลทำกับพระทำกับผู้ไม่ใช่เป็นพระทำกับผู้มีพระคุณทำกับผู้ไม่มีพระคุณก็ได้ทำกับใครก็ได้จะ <c oughs> เป็นองค์กรต่างๆก็ได้เป็นเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอารามก็ได้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ คือทําแล้วให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมากับผู้ที่ได้รับการกระทําของเราแล้วมันจะทําให้เราเกิดมีความสุขใจการทําบุญก็คือการให้ความสุขกับผู้ น, นั้นเองการกระทําอะไรที่ทําให้ผู้อื่นก็มีความสุขเช่นเอาเข้าของเงินทองไปแจกคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็จะมีความสุขจากการกระทําของเราแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในใจของเราทันที งั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเราไม่สู้ผอมนะให้ใจของเราสมบูรณ์ด้วยอาหารก็หมันทำบุญทำทานไปเรื่อยๆยกเว้นว่าถ้าเราไม่อยู่มีเงินมีทองที่จะเอาไปทำบุญทำทานนะเราก็สามารถที่จะไปนะไปทำอย่างอื่นแทนได้ไม่มีเงินมีทองเราก็ยังสามารถใช้เวลาของเราทำคุณทำประโยชน์ทำบุญได้อยู่เหมือนกัน เป็นไปเป็นจิตอาสาไปทํางานอาสาสมัครต่างๆ mm hmm. แล้วเราก็จะได้รับความสุขเหมือนกับเวลาที่เราทําบุญทําทาน mm hmm. บางท่านมาวัดก็มาช่วยทําความสะอาด mm hmm. บริเวณที่ฟังเทศฟังธรรมนี้ช่วย mm hmm. ทําความสะอาด ห, ห้องน้ําห้องท่าช่วยจัดสถานที่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานได้เหมือนกัน mm hmm. โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง แต่ใช้กำลังกายใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเรียก <Yeah. S 2> ว่าเป็นการรับใช้สังคม <Yeah. S 2> นี่ก็เป็นวิธีทาบุญทาทานอีกแบบหนึ่ง <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่มีเงินมีทองที่จะทาแต่เรามีเวลาว่าง <Yeah. S 2> เราก็สามารถใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นบุญเป็นเป็นบุญขึ้นมาได้เป็นบุญเป็นทานขึ้นมาได้ นอกจากนั้นยังมีวิธีหนึ่งถ้าเรามีความรู้เคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาก่อนแล้วตอนนี้กเกษียณไม่มีไม่ไม่ต้องทำงานมีเวลาว่างถ้าอยากจะช่วยเหลือสอนเด็กให้ติวให้ความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่เรารู้โดยที่ไม่คิดเงินค่าตอบแทน <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งทาบุญด้วย ด้วยความรู้เรียกว่าวิทยาทานทาบุญทําทานให้ความรู้กับผู้ให้ให้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้ขึ้นมาให้เกิดความสุขกับผู้ขึ้นมาด้วยการให้ความรู้ของเราอันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานเป็นการเหมือนกับทําบุญใส่บาศเหมือนกับทําบุญบริจากสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เหมือนกัน ไดความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจเหมือนกันนี่คือเรื่องของการให้อาหารของใจคือทำบุญทำทานส่วนเครื่องนึ่งห่มของใจคืออะไรก็คือศีลศีลคือการไม่กระทำบาปศีลนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเป็นใจที่สวยงามขึ้นมาใจที่มีศีลกับใจที่ไม่มีศีลนี่จะต่างกัน ใจที่ไม่มีศีนี้จะเป็นใจที่น่าเกลียดไม่มีใครอยากจะรู้รู้จักหรือเข้าใกล้ใจที่มีที่ชอบทําบาปชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในการชอบพูดปดชอบดื่มของวุ่นเมาและเสพอบายามุขต่างๆเป็นใจที่ไม่สวยงามแต่ใจที่รักษาศีลได้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาหรืออบายยมุกต่างๆ <S <S ใจแบบนี้เป็นใจที่สวยงามเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่นี้ทําให้ร่างกายเราดูมีสง่าราศีขึ้นมาสังเกตเวลาเมื่อม่กี้มีคนเข้ามาทําบุญเขายัางต้องไปทํางานไปประชุม เขเลยต้องสวมใส่เสื้อผ้าพรให้เหมาะสมกับการละเทศะของเขาสวมใส่แล้วก็ทําให้เขามีความสง่าราศีขึ้นมาความสวยงามความมีสง่าราศีของใจก็คือศีลนี่ศีลจะเป็นเสื้อผ้าพรของใจเสริมความสง่างามให้กับใจแล้วก็เป็นสิ่งป้องกันภัยให้กับใจได้ด้วย เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่นี้มันก็ช่วยป้องกันภัยจากแมลาางสว์กัดต่อยได้เวลา ม, มีมีแมลงมะเกาะมันก็ไม่สามารถจะกัดได้ถ้าเรามีเสื้อผ้าใส่หรือไว้ป้องกันความหนาวเย็นก็ได้เวลาเกิดอากาศหนาวเย็นขึ้นมามนเราก็สามารถที่จะใช้เสื้อผ้านี้ ใส่ให้ร่างกายอบอุ่นจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศที่หนาเวเย็นได้งนั้นสีนี่เป็นเครื่องป้องกันทั้งป้องกันภัยและเสริมความงามภัยของใจคืออะไรใจของภัยของใจก็คืออาบายคือคือเดลฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่เป็นสิ่งที่จะคุกคามใจได้ สำหรับผู้ที่ไม่มีศีลผู้ที่ไม่มีศีล น, นี้จะไม่มีเกราะคุ้มกันภัยถ้าไม่รักษาศีลห้าไว้ภัยก็คือการไปเป็นเดรัฉานการไปเป็นเปรตการเปอาศุลลกายและการไปตกนรกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปได้แต่ถ้ารักษาศีลได้ห้าข้อเดรัฉานก็เข้ามาในใจไม่ได้เปรตก็เข้ามาในใจไม่ได้อสุลกายก็เข้ามาในใจไม่ได้ อารม ก, ก็เข้ามาในใจไม่ได้ <Yeah. S 1> เหมือนเกราะคุ้มกันเสื้อเกาะที่คนพวกตำรวจเขาใส่กันเวลาเขาไปปฏิบัติการเขาใส่เสื้อเ ก, กาะกันกระสุนถ้าเกิดถูกยิงแล้วมีเสื้อเกาะกันเอาไว้กระสุนก็ไม่สามารถเข้าไปถึงในร่างกายได้ศีล <Yeah. S 1> ก็เหมือนกันเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ใจตกไปเป็น เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสุลกายไปตกนรกได้นี่คือเสื้อผ้าผ่อนของใจถ้าเราอยากให้ใจเราประเสริฐใจเราดีใจมีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลด้วยการทําบุญทําทานนแล้วต่อไปใจของเราก็จะประเสริฐขึ้นไปตามลําดับอันนี้คือ เครื่องนุ่งห่มของใจคือการรักษาศีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีล 220. สองรอยี่สิบศีลยิ่งมากก็ยิ่งทําให้ใจยิ่งมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คุ้มการภัยต่างๆได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปัจจัยสี่ข้อที่สามของของใจคืออะไรก็คือที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรก็คือสมาธินี่สมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธินี้ก็มีแบ่งเป็นขั้นๆเรียกว่าฌานมีรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เป็นต้นนี่คือความสงบเป็นขั้นๆไปสงบจากน้อยไปหามากขั้นที่หนึ่งสงบน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองน้อยกว่าสาม ขันที่สามน้อยกว่าสี่สำหรับรูปฌปานแล้วพอได้รูปฌปานสี่แล้วก็จะขึ้นไปสู่ขั้นอรูปฌานสี่อีกอีกสี่ขั้นด้วยกันก็จะถึงขั้นที่สงบที่สุดที่มีความสุขมากที่สุดนี่คือที่อยู่อาศัยของใจถ้าใจเข้าสมาธิไปแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี้ก็จะไม่สามารถตามเข้าไปในใจได้เหมือนกับเวลาที่เรากลับเข้าบ้านนี่ เรื่องอวุ่นวายเรื่องไม่ปลอดภัยต่างๆเรื่อง อ, อากาศที่ร้อนก็ดีหนาวก็ดีพอเราเข้าไปในบ้านนี้เราก็จะมีเครื่องปรับอากาศถ้าร้อนก็ปรับให้มันเย็นได้ถ้าหนาวก็ปรับให้มันอุ่นได้ใจสมาธิก็เป็นอย่างนี้เป็นที่หลบความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้เวลาเราเข้าสมาธิ ความเครียดความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆที่อาจจะมีขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิพอเข้าไปในสมาธิแล้วความเครียดความทุกข์ต่างๆนี้จะหายไปหมดเลยหรืออยู่แต่ความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆ เราจะมีบ้านไว้เป็นที่หลบภัยของใจได้เวลาใจเราเครียดเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เข้าสมาธิไปแล้วความทุกข์ความเครียดต่างๆก็จะหายไปได้ น, นี่คือบ้านที่อยู่อาศัยของใจที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาด้วยการเจริญสติใจต้องมีสติคอยกํากับให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นพุโทโธหรือ ลมหายใจเข้าออกแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ขึ้นมาตามลำดับเราไม่ต้องทำอะไรชั้นมันจะเปลี่ยนไปเองตามกาลังของสติของเราถ้าสติของเรามีต่อเนื่องมากขึ้นยาวขึ้นนานขึ้นชั้นก็จะลึกขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วนี่คือบ้านที่อยู่อาศัยของใจถ้าเราอยากจะมีที่ อ, อาศัยเหมือนกับบ้าน ที่อยู่อาศัยของร่างกายเราก็ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ mm hmm. เช่นวันพระนี้เป็นวันที่เราจะได้มีเวลาได้อย่างเต็มที่เพราะเราไม่ไม่ต้องไปทามาหากินดูแลเรื่องของร่างกาย mm hmm. เราก็จะได้มีเวลามาเจริญสติ mm hmm. นั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> <c oughs> ปัจจัยปัจจัยสี่ของใจข้อที่ส mm ี hmm. ่ก็คอือยารักษาโรคใจ อะไรคื อ, อยารักษาโรคใจก็คือปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้นี่เองคืออริย ส, สัจสีตใจรักษอันนี้จังทุกขังนาาอ น, นัตตาถ้าเรารู้อริยถ้าเรารู้อริยสัจสีเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ความเครียดของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากได้นั่นอย่างมีนี่พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาขณะที่อยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ว เกิดความกังวลกัวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราถ้าอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ในการจะหยุดความอยากได้นี้ก็ต้องมีปัจจัยสองอันด้วยกันคือหนึ่งต้องมีสมาธิถ้าจิตนิ่งสงบจิตก็จะสามารถหยุดความอยากได้ชั่วคราวด้วยสมาธิถ้าอยากให้หยุดอย่างถาวร ก็ต้องมีปัญญาเห็นใตรักเห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นอันนี้อางไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเก็บมันเอาไว้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญสูนสูญจากกันไปต้องมีการพัดพากจากกันไปมองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถครอบครอง ครอบครองไว้เป็นของเราได้ตลอดเวลาก็ต้องมีการสูญเสียมีการสิ้นสุดมีการจากกันไปในที่สุดแต่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะมันจะให้เราทุกข์ใจนั่นเองเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปนี่คือปัญญาเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ความเครียดของเราเกิดจากความอยากของเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนะตา เราก็จะหยุดความอยากได้ด้วยกําลังของสมาธิและปัญญาควบคู่กันถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็จะหยุดได้ชั่วคราวเวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมามต้องมีปัญญามาประกอบถึงจะสามารถกําจัดความทุกข์ความอยากต่างๆที่เป็นเหมือนโครคภัยไข้เจ็บของใจได้<ม>ถ้ามีปัญญาแล้วใจเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปใจเราก็จะมีสุขภาพ สมบูร์แข็งแรงเหมือนกับร่างกายน่าจะสมบูรณแข็งแรงรยิ่งกว่าร่างกายไปสิเพราะใจไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายร่างกายตอนนี้เราอาจจะดูแลให้มันอยู่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้แต่ต่อไปเรามันก็จะแก่ลงไปน้องความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายก็จะต้องตามมาในที่สุดไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายของใจไม่มีวันเกิดขึ้น ความทุกข์ของใจถ้ามีปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี่แหละคือปัจจัยสี่ของใจที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้สาธุชนพุทธบริษัท <c oughs> ผู้ปรารถนาความสุขความเจริญทางด้านจิตใจให้เอาเวลาของวันพระหยุดการทำงานหนึ่งวันหนึ่งคืนมาให้กับการสร้างปัจจัยสี่สร้างอาหารให้กับใจด้วยการทำบุญทาทาน สร้างเสื้อผ้ า, อาพรของใจด้วยการรักษาศีลสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยการนั่งสมาธิเข้าสมาธิแล้วสร้างยารักษาโรคของใจด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักแล้วใจก็จะสามารถมียารักษาโรคใจไม่ให้ใจทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี้ก็คือเรื่องกิจของวันพระ วันที่เราจะมาดูแลจิตใจด้วยการสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจด้วยการทำบุญทาทานรักษาศีลฝึกสมาธิแล้วเจริญปัญญา <c oughs> แล้วต่อไปถ้าเรามีปัจจัยสี่ของใจครบถ้วนบริบูรณ์ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียวการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีในลำดับต่อไปเราก็จะมา จเจริญสตินั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้สงบ <c oughs> สร้างบ้านให้กับใจใจจะสงบได้ใจต้องมีสติคอยกากับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆต้องมีอะไรผูกใจไว้สิ่งที่จะผูกใจเราเรียกว่าสติสติเป็นเหมือนเชือกแล้ว <c oughs> เชือกผูกใจไว้ต้องมีที่ยึด ก็คือต้องมีเสายึดมีเชือกแล้วก็ต้องมีเสาไว้ยึดกับเชือกอีกทีหนึ่งใจนี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราอยากให้ลิงไม่วิ่งไปไหนมาไหนเราก็ต้องจับเอาเชือกมาลัดคอลิงไว้แล้วอีกปลายเชือกหนึ่งแล้วก็ไปไปผูกไว้กับเสาผูกไว้กับต้นไม้ผูกไว้กับอะไรที่ไม่เคลื่อนไหวเรียกว่าทางทางการปฏิบัติก็เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นเสาหลัก ที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเวลานั่งสมาธิเราต้องผูกใจด้วยด้วยสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานเช่นอยู่กับพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้หรืออยู่กับการสวดมนต์ก็ได้หรืออยู่กับวิธีอื่นก็ได้ที่เราเคยฝึกสอนฝึกซ้อมมาเคยเรียนรู้มาเพราะการผูกใจด้วยกรรมฐานนี่มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน มีกรรมฐานถึงสี่สิบชนิดที่เราสามารถใช้เป็นที่ผูกใจได้เช่นอาการสามสิบสองก็เป็นที่ผูกใจได้ผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกการระลึกถึงความตายก็สามารถเป็นกรรมฐานได้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ระลึกถึงพระธรรมก็ได้ระลึกถึงพระสงฆ์ก็ได้เช่นการสวดมนต์นี่ก็เป็นการระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เราต้องมีอะไรยึดใจไว้ ผูกด้วยสติเอาสติผูกใจไว้กับเสาจะเป็นเสาแบบไหนก็ได้เรื่องแล้วแต่เราพอใจเราเคยใช้แบบไหนมาแล้วได้ผลดีแล้วก็ใช้แบบนั้นไปไม่จาเป็นจะต้องใช้เหมือนกันทุกคนถ้าเราอยากจะนั่งอย่างสบายอย่างสงบใจไม่วุ่นวายใจไม่ดิน้นอย่านั่งเฉยๆเพราะถ้านั่งเฉยๆปั๊บเดี๋ยวใจมันก็จะคิดนูน่นคิดนี่ แล้วมันก็จะดิน้นจะนิ่นแล้วก็จะรู้สึกทรมานใจแต่ <c oughs> ถ้าเราผูกใจไว้กับกรรมฐาน <c oughs> ผูกไว้กับพุทโธผูกไว้กับการสวดมนต์ผูกไว้กับการดูลมหายใจเข้าออกหรืออย่างอื่นก็ได้แล้วใจก็จะเพลิดเพลินกับการทํากิจเหล่านี้ไปแล้วใจก็จะคิดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะนิ่งสงบเข้าสู่สมาธิได้ต่อไปเวลาใจสงบนิ่งมีความสุขก็ไม่ต้องทําอะไร ขอยประครับประคองให้มันนิ่งให้มันสงบไปนานๆไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปรับรู้อะไรการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการเห็นนร ก, <S <S กเห็นสวรรค์หรือเห็นอะไรทั้งสิน้นต้องการให้เห็นความสงบเพียงอย่างเดียวนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิให้ใจสงบแล้วให้ใจพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตวิธีการนั่งของเราในวันนี้และจดจำเอาไว้คราวหน้าเวลานั่งก็มานั่งแบบนี้เราก็จะได้ความสงบอีก แต่อย่าไปอยาอย่าไปนั่งแล้วก็อยากให้มันสงบอันนี้ความอยากจะไม่ทำให้สงบวิธีนั่งที่ถูกต้องนี้จะทำให้ใจเราสงบได้งั้นถ้าถ้าสงบวันนี้ก็จดจำวิธีนั่งไว้ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็มันจเจริญสติในระหว่างวันไปเรื่อยๆดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคราวหน้าเวลานั่งสมาธิก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นนั่งได้นานขึ้นสงบได้เร็วขึ้นแล้วอต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรอหยาทาวาริวาหาปุราปริกุเรนตีสาขลงเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปติ เอติตังภะทิตังตุมหังคิปว่เมวะสมมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโอวิวัจจันโุสัพพารุโควินัสตุ มาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวธตานสีลิสานิจังวุธาปจายโนยตารโธามาวทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 347 YouTube พระสุชาติไลฟ์320 Youtube d กเตอร v ว8ิวิทยุออนไลน์12บคลับเฮาส์เจ็ากุติ106รวม860ค่ะ mm hmm. คำถามจากคุณปิยะขอสอบถามครับตอนนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนหลับแต่สติรู้ว่าภาวนาอยู่ 50% เอร์นเหมือนจะหลับ 50% ซนคืออาการอะไรครับ ก็เรีว่าเครื่องหลับเครื่องตื่นคำถามจากคุณอ้ํายิ่งนั่งสมาธินานเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากใช่หรือไม่ครับคือบุญคือความสุขใจยิ่งนั่งมากต้องสงบด้วยแต่ถ้านั่งมากแต่ยังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญแต่นั่งให้สงบก็ต้องมีสติ<ม>กากับใจอย่านั่งอย่านั่งแบบใจลอยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ อ่านั่งแบบนั้นไม่เรียกว่านั่งสมาธิเรียกว่านั่งใจลอยนั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้และถ้าใจสงบก็จะได้บุญจากการนั่งและบุญที่เกิดจากความสงบนี้เป็นบุญที่มากกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำบุญทำทานคำถามอีกคำถามจากคุณอ้ําค่ะ ติดหนี้เงินเขาอยู่แต่ตอนนี้เจ้านี่เสียชีวิตเราเอาเงินไปให้ลูกหรือเมียของเขาตามจํานวนเงินที่ยืมไปทางคนตายจะรับรู้หรือไม่เพราะตอนนี้ยังรู้สึกผิดอยู่นานแล้วที่ยังไม่ได้เอาไปคืนก็ถ้าเราได้คืนเขาไปอันนี้คนตายเขาไม่รู้แล้วอนะแต่ถ้ายัง <c oughs> ให้กับทายาทที่ที่จะรับมรดกก็ถือว่าให้กับเขาได้ แทนนกันได้คําถามจากคุณนโมผมเคยบวชแล้วติดอาบัติสังฆาทิเศษแล้วไม่ได้อยู่กรรมกระผมอยากบวชใหม่จะได้ไหมครับได้มีวิธีแก้กรรมอาบัติไหมครับขอพระอาจารย์ปโปรดเมตตาบอกคนทางด้วยครับก็ต้องติดต่อกับพระอุปัชฌายะที่จะบวชให้เราแล้วก็บอกว่าเคยบวชมาแล้วแล้วเคยยังทําผิดสังฆาทิเศษอยู่ ท่านจะบวชให้หรือไม่อย่างไรก็แล้วขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านคำถามจากคุณแอมมี่หนูเพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกับลูกชายและลูกสาวอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ให้กำลังใจได้ให้สติในการดำเนินชีวิตต่อไปคะ่ะก็คิดดิวถ้าคิดว่าดีแล้วที่ยังไม่ตายคิดว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปก็แล้วกันหรือเป็นการใช้กรรมไปก็แล้วกัน ถือว่ากรรมของเรายังไม่หนักถึงกับทําให้เราต้องเสียชีวิต<ม>ก็อาจจะถือว่าเป็นเหมือนกับได้ใบเหลืองเตืนว่าอไปอย่าไปทําอย่างนี้อีกนะทําความดีอย่าไปทําบาปอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะจะได้ไม่ได้ใบใบแดงต่อไปคําถามจากคุณใบเลียนกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะบุญจากการภาวนาสามารถแผ่ให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะ บุญสำหรับคนมีชีวิตอยู่นี้ต้องทำเองแต่สำหรับคนตายนี่เขาทำบุญไม่ได้แล้วเราก็ต้องส่งบุญไปให้เขาและวิธีที่จะส่งบุญไปได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดก็คือการทำทานการภาวนานี้มันยากเพราะเราน้อยคนที่จะได้บุญจากการนั่งสมาธิยังคือจิตยังไม่รวมยังไม่สงบนี้ยังไม่ยังไม่ได้บุญเป็นการเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมไปเรื่อยๆก่อน ง น, นถ้าจะส่งบุญให้ให้ไปทำบุญใส่บาตเหรือเบอิจากเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลแล้วก็อุทิศนี้ไปให้กับผู้ตายได้เลยคำถามจากคุณแวนพ่ออายุเจ็ดสิบสองป่วยหนักเดินไม่ได้สักทีให้คุณพ่อวางใจอย่างไรคะท่านบ่นอยากตายคะ่ะก็แล้วแต่ท่านเนี่ยอ ย, อยู่ที่อยู่ที่ว่าท่านจะต้องการจะเรียนรู้วิธีวางใจหรือไม่ ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่สนใจพูดไปก็ไร้ประโยชน์อะไรก็ต้องดูที่ว่าท่านสนใจอยากจะศึกษาวิธี ท, ทำใจให้สบายไหมถ้าสนใจก็แนะนำหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆให้ท่านไปศึกษาดูคำถามจากคุณกรรมพิสุทธ ขอสอบถามหลวงพ่อหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับธาตุสี่ธาตุหขันห้าสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติแบบไหนครับโอ้ยถามทั้งพ่อตายบิด๋งงี้จะตอบไม่ไหวเอาแค่ธาตุสี่ก่อนก็แล้วกันนะธาตุสีก็คือส่วนประกอบของร่างกายเราร่างกายเราเกิดขึ้นมาได้ต้องมีธาตุสี่มีธาตุดินธาตุาน้ำธาตุนมธาตุไฟที่ม า, มาผสมกันเหมือนกับเวลาที่เขาทาเทปูนนี่ เรเอาปูนมาใส่ถังเอาทรายมาใส่เอาอิฐมาใส่เอาน้ํามาใส่แล้วก็กวนมันแล้วก็เทลงไปในเสาก็จะได้เสาขึ้นมาเป็นเสาคอนกรีตร่างกายเราก็เหมือนกันต้องมีธาตุสี่ถึงจะมีอาการสาสิบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนกระดูกขึ้นมาได้วิธีเอาเอาธาตุสี่เข้าร่างกายเราทํำยังไงก็วเวลาเรากินอาหารนี่เราก็เอาธาตุน้ํากับธาตุดินเข้าไปแล้ว ของแข็งก็เป็นธาตุดินเช่นข้าวผักพวกนี้ก็ถือเป็นธาตุดินน้ําน้ําที่มากับกับข้าวนี้มันก็เป็นธาตุน้ําส่วนหนึ่งธาตุน้ําอีกส่วนหนึ่งก็กคือน้ําที่เราดื่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ธาตุลมก็คือลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกนีก้เรียกธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกายของเราที่ได้จากแสงสว่างได้จากความร้อนของดวงอาทิตย์และได้ความร้อนจากการที่ร่างกายมี ปฏิจิริยาทางเคมีทางเวลากินอาหารเข้าไปแล้วธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมมันจะมันจะผสมกันแล้วก็จะทําให้เกิดธาตุไฟตามมาอีกทีนี่คือธาตุทั้งสี่ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเราแล้ววันหนึ่งธาตุทั้งสี่นี้มันก็จะแตกสามัคคีมันจะแยกทางกันพอธาตุลมไม่เข้าไม่ออกพอไม่เข้ามีแต่ออกแล้วร่างกายก็เริ่มหยุดทํางานธาตุลมไปก่อน ตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนในร่างกายก็จะหายไปแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ำคือน้ำต่างๆมันก็จะไหลออกมาตามธาวรต่างๆทิ้งไปนานๆนนมันก็จะแห้งกรอบกลายเป็นธาตุดินไปนี่คือธาตุสีเอาแค่นี้ก่อนปัจจนะุบันชีสร่างกายของเราเป็นธาตุสีไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสีเป็นเหมือนเสาคอนกรีตเนี่มีแต่มีแต่หินทรายปูนน้ำผสมกัน ร่างกายแล้วก็มีดินน้ํานมไฟผสมกันแล้ววันหนึ่งดินน้ํานมไฟนี้ก็จะแตกสามัคคีกันก็เหมือนกับเสาเนี่ยเสาที่เป็นเสาปูนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะมันก็จะแตกหักออาไปเพราะว่ามันธาตุน้ามันค่อยๆออกไปทีเล็กเทียน้อยเพราะไม่มีธาตุน้ํามันก็ไม่มีความเหนียวที่จะยึดติดกันเดี๋ยวมันก็แยกออกแยกทางกันไปทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจากธาตุสี่ทั้งนั้นต้นไม้นี่ก็มาจากธาตุสี่ ต้นไม้ต้องมีดินธาตุดินต้องมีน้ำธาตุน้ำต้องมีอากาศธาตุลมแล้วก็ต้องมีความร้อนร้อนพอประมาณถ้าไปปลูกต้นไม้อยู่ที่ควโลกงเหนือมันก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีธาตุไฟมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแต่ไม่มีธาตุไฟก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไปปลูกที่ที่ทะเลทรายมันมีธาตุไฟแต่มันแต่ไม่มีธาตุน้ำมันก็ขึ้นมาไม่ได้ งั้การที่จะมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาได้นี้ต้องมีท่าสี่พร้อมรวมกันถึงจะทำให้ปรากฏขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะปรากฏชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะแยกทางกันอีกต้นไม้โตขึ้นเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกับร่างกายเหมือนกันงั้นมันเป็นอนิจจังให้พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ ดูให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟคำถามจากคุณศรีวไลความสงบเป็นบุญอย่างไรเจ้าคะถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวไม่ยุ่งกับใครแต่ไม่ได้นั่งสมาธิมีความต่างอย่างไรคะต่างเพราะความสงบมันมีหลายระดับเหมือนเสียง<ม>เสียงมีหลายระดับตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปถึงร้ออย่างเงี้ย มั น, นก็มีมีมีผลต่อผู้ฟังที่หูความสงบก็มีผลต่อใจผลที่ศูนย์นี่มันก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่มีความสุขก็ศูนย์พอไปไปถึงขั้นร้อยสง บ, บขั้นร้อยเต็มร้อยนี่มันก็จะเกิดความสุขเต็มร้อยขึ้นมาในใจคำถามจากคุณเรื่องทำอย่างไรเราจึงจะยอมปล่อยร่างกายได้ครับ ก็ต้องพิจารณาอยู่่เรียกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความหลงได้หยุดความอยากได้หยุดความยึดติดได้ถ้าปัญญาสอนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะปล่อยได้คำถามจากคุณหนึ่งเวลาที่ปวดหัวไมเกรนรู้สึกปวดทรมานมาก ทานยาแต่พยายามใช้พุโทโธเพื่อช่วยให้รู้สึกเจ็บปวดน้อยลงแบบนี้เป็นการฝึกแยกกายแยกจิตไหมเจ้าคะก็เป็นส่วนหนึ่งคือกายมันก็เจ็บเป็นเรื่องของมันแต่ใจเราไม่เจ็บใจเราอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นเราเราก็จะทุกข์ก็จะอยากอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากี่นี้มันจะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องแยกใจออกจากร่างกายปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปทำอะไรมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวใจเรามีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์คถามจากคุณเพียงจิต โยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกๆวันจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างวันพระโยมก็ไปรักษาศีลแปดที่วัดโยมปฏิบัติแบบนี้พอไหมคะก็จนกว่าจิตจะสงบจิตจะมีความสุขแล้วไม่มีความทุกข์ถึงจะพอแต่ยังทุกข์อยู่ยังไม่สุขยังหิวกับรูปเสียงกิน่นรสยังอยากมีอยากเป็นอยู่ยังอยากได้ได้ น, นั่นได้นี่อยู่ก็ยังไม่พอต้องปฏิบัติไปจนกว่ากิเลสจะหมดไปจากใจถึงจะเว่าพอ คำถามจากคุณวิการดาเวลานั่งสมาธิรู้สึกหนักศีษะตลอดและอึดอัดอาจจะเป็นเพราะสติยังไม่พอใช่ไหมคะแลนะปฏิบัติต่อไปอาการต่างๆเหล่านี้จะเบาลงไหมคะเบาลงถ้าจิตมีสติมากขึ้นจิตสงบมากขึ้นแล้วอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเบื้องต้นถ้ามันนั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อ น, อนสวดมนต์ก็จะบรรเทาอาการที่ปวดที่หนักนักีะได้ พอใจเริ่มเบาลงอาการเริ่มเบาลงเราค่อยมาดูลมหายใจต่อไปก็ได้แต่ตอนต้นอาจจะดูลมได้ยากเพราะสติเรามีกําลังน้อยเราสร้างสติด้วยการสวดมนต์ไปพังๆก่อนคําถามหมดค่ะนะใครอยู่ที่นี่อยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้นะ อ, อยากจะรอเวลาให้คนเขาพิมพ์ข้อความเข้ามาอยากจะทราบอะไรไหมเป็นอะไรกัน ที่เขามาปฏิบัติธที่บ้านะเนี่เป็นนายแรกเนี่ยค<ะ>่ะเป็นนายแรกเออี่เอไม่เอามีกสามสิบห้าคน่ะเออยังไงพออยู่ได้เามหลังอนนั้นที่บ้านตระกาตาตอนนัน้นที่พออยู่แล้วต้องสามสิบคนอนนั้นสาห้าคนพักแค่สิบคนปรยี่าาสิบเก้ายี่สิบ้านพที่บ้า น, านยังไม่ได้ับนั ออกวันที่บ้านมันเขายังไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วสักค่ะอืมดีปฏิบัติธรรมแล้วมันจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกและเป็นความสุขที่เราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราไปร่างกายแก่เจ็บหรือเป็นอะไรเราก็จะไม่เราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะเรายังสามารถหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้ มีคำถามจากคุณคณิ tha ค่ะเรานําสังฆทานไปทําบุญอุทิศให้พ่อครบรอบวันเสียชีวิตมีพระที่เป็นเวรรับสังฆทานและแจ้งให้ท่านทราบปรากฏว่าพระก็เล่นแต่โทรศัพท์แล้วบอกว่าให้อ่านคําถวายเราก็กังวลว่าพ่อจะได้รับหรือไม่เจ้าคะ <c oughs> ได้รับของที่เราให้ไปเนี่ยคนรับจะสนใจไม่สนใจไม่เป็นไร ขอให้เราได้เสียสละของนี้ไปแล้วกเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ได้ถ้าต่อไปเวลาไปบริจากของแล้วคนรับเขาไม่สนใจก็ไปหาที่เขาสนใจรับจะดีกว่าเราจะได้มีความรู้สึกมีความสุขใจว่าถึงมือผู้รับแสดงว่าผู้รับอาจจะไม่แยแสไม่สนใจมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เออนไปทําบุญกับ กับบุคคลที่เขาดีใจที่ได้รับของอย่างเราดีกว่าเห็นเขาน้ําตาหลาเพิ่มปิติแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขใจขึ้นมา mm hmm. บุญเนี่ยคือความสุขใจบางครั้ง mm hmm. การทําบุญก็ต้องรู้จักวิธีทําให้ถูกต้อง mm hmm. ไปทํากับคนที่เขาไม่อยากได้นี่มันก็ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขใจ mm hmm. คําถามจากคุณพอ่อบางทีเวลาผมฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เทศนาธรรมความพิดถิพิบขึ้นมา ลักษณะเหมือนผมไปติเตียนท่านเหมือนท่านจะออกไปทางปรา g m าท่านแต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับและผมจะทำใจตั้งมั่นและฟังทันทีผมจะกล่าวขอโทษยกมือไหว้ตลอดเลยครับมันเป็นบ่อยมากผมจะแก้อย่างไงครับก็ให้รับรู้ว่าใจเรายังต่อต้านธรรมาอยู่ทาที่ท่านแสดงใจเรายังไม่ยอมรับอยู่มันก็เลยต่อต้านขึ้นมาเราก็ เอาทำของท่านกับทำของเรามาเปรียบเทียบดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูกถ้าสิ่งที่ท่านพูดแล้วเป็นถูกสิ่งที่เราต่อต้านมันผิดเราก็จะเราก็จะได้เลือกต่อต้านต่อไปได้ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกเราก็รอให้มีเวลาได้ศึกษาได้พิจารณาเพิ่มเติมไปก่อนคำถามจากยายตายเวลานั่งสมาธิจะมีอาการรู้สึกจะวูบลงหมายถึงอะไรคะ ก็มีสองแบบวู้แบบวู้แบบจะหลับหรือวมม <c oughs> ู้แบบสงบก็อยู่กับ ม, มีสติหรือไม่ถ้าวู้แบบมีสติก็จะเข้าสมาธิถ้าวู้แบบไม่มีสติก็จะเข้าผวังหลับไปคำถามหมดค่ะ okay. มีใครอยากจะถามยังไหมเพราะไม่มีก็จะได้เลือกกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเจนาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ